สระน้กา จะได้ปังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติกันพยายามรวมจิตให้ได้แล้วก็ตั้งสติให้มั่นไ้ถ้าสติมันคงอารมณ์ก็จะไม่หวั่นไหว ถ้าจิตเรารวมได้ความเพลินความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะจะน้อยมากฉะนั้ น, นบุคคลที่รวมจิตยังไม่ได้อันตรายที่ได้กล่าวว่าเรื่องสังยอดเนี่ยเป็นเครื่องผูกรัฐมัดสัตว์ ให้มีพบชาติเดียวก็ เ, เกิดจากว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องสักยัจจิฏฐิเป็นประการแรกเลยความถือตัวถือตนหลงตัวหลงตนหลงเนื้นอหนังเอ็นกระดูกหลงความมีชีวิต เรายังไม่เข้าไปสู่ธรรมที่จะเจริญสติพิจารณาเห็นความเป็นจิตเราเห็นชีวิตเราเป็นเนื้อเป็นหนังและก็มันหมายว่าสิ่งนี้และใช่สิ่งนี้แหละใช่ของเราสุขนี้ก็ใช่ของเราทุกนี้ก็ใช่ของเรา นั่นคืออำนาจของผู้หลงอยู่ในสกยิยาทิทฐิแต่เมื่อเรามาเจริญพิจารณาธรรมมากๆเขาเมื่อจิตเรารวมเขาเกิดความระงับความสงบความวิเวกเกิดในจิตเราความผูกติดตอนนั้นมันได้จางคลายออกมาให้เราได้เห็นว่ารูป ที่ตั้งอยูนะ่มันเป็นที่อาศัยของจิตดวงนี้เป็นเพียงบ้านที่มาอาศัยเขาอยู่ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของบ้านแต่ความสำคัญผิดอยู่นานจึงคิดว่าเราเนี่ยแหละคือเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ แต่เมื่อนั่งไปกำหนดไปพิจารณาไปนะเราจะเริ่มเห็นว่ากายนี้ไม่เทียงมันต้องเห็นความไม่เทียงก่อนจะมารู้ทำรู้แจ้งรู้อะไรก็ตามต้องมารู้ถึงลักษณะอ น, นิจจงความไม่เทียงเสียก่อนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแสดง ให้ปัญจวัคคีย์ได้ฟังถามเลยว่ารูปนั่นเที่ยงไหมบอกไม่เที่ยงยังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติซึ่งแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังแค่นี้ก่อนทยอยยุคสู่พุทธกาลอุปติสสะได้ฟังธรรมเท่านี้แหละ เกิดความเข้าใจไม่ลังเลไม่สงสัยตัดวิจิกิจฉาออกทันทีรู้ถึงสักยติทิฏฐิความมั่นหมายเข้าใจทันทีพอเข้าใจเสร็จน้อมมาพิจารณาว่าทำเราใดมีมาใดเหตุ พระธรรมก็จะทรงแสดงเหตุของธรรมและความดับของธรรมนั้นคือแสดงเหตุแห่งความเกิดดับสุดจะหักเย้ยหยุดฉุดเอาไว้เหมือนเราเราท่านท่านกำลังนั่งอยู่กับกองไฟหายใจอยู่กองลมนั่งชมอยู่กับกองดินสูดกินอยู่กับดินน้ำไฟลม แล้วเราก็มาประชุมองค์ขึ้นเป็นรูปของเราเนี่ยอาศัยเขาอยู่กับดินน้ำไฟลมกายของเรานี่แร่พิจารณามากๆกำหนดบ่อยๆพอความไม่เที่ยงปรากฏให้เห็นตามลักษณะธรรมที่เป็นจริงๆเราก็จะถอดจะถอน ความเป็นสักยะตรงนี้แหละ ว, ว่าแม้สุขก็ไม่เทียงแม้กายก็ไม่เทียงสุขกายสุขใจมันเป็นเวทนาขันอารมณ์ที่เข้าไปรู้ความสุขความทุกข์ตรงนี้เรียกว่าเวทนาขันไม่ใช่เราแต่สติ ไม่ได้ละลึก อ, อย่างนั้นเราไปเอาสิ่งนั้นมาสมมติขึ้นแล้วก็เอาสกยิยติทินี่แหละมาเป็นใหญ่ขึ้นนี่แหละสังโยชน์เข้มมัดเราตั้งแต่เห็นแล้ว ตั้งแต่ได้ฟังได้ยินได้ลิ้มได้ร้องได้สัมผัสได้รู้รสทั้งหลายทั้งปวงอุปทานตรงนี้มันเกิดมาตลอดมีตั้งแต่ภูมิพบตั้งแต่เรานะบุญเวียนอยู่แล้วก็มาสู่ขันแล้วก็มาปฏิสธิ ในขันแล้กก็คลอดรอดออกมาเป็นคนก็เติมดินเติมนมเติมน้ำเติมธาตุเติมขันเข้าไปที่เราจเจริญเติบโตเห็นไหมย่ะเพราะความไม่เที่ยงนะไม่ใช่เพราะคำว่าเที่ยงที่เราจเจริญเติบโตในเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละ ดูไปเรื่อยๆเมื่อเห็นตรงนี้เรียกว่าสังโยชน์พร ะ, ยะเยจาบุคคลเบื้องต้นเนี่ยทันละสักยะทิฏฐิตรงนี้ได้ตลอดถึงคาว่าวิจิกิจฉาท่านไม่ลังเลท่านไม่สงสัยรูปังอนิจา์เวทนา อนิจจาสัญญาอานิจจาท่านเข้าใจเลยมาประมวลแล้วเนี่ยบวกทมเราใดมีมาต่เหตุพระธถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมและดับของธรรมนั้นนักปฏิบัติดูกองไฟนะเราจุดกองไฟใหญ่ๆขึ้น มีเชเพงมากเป็นกองไม้ใหญ่จากไฟเล็กๆ ก, ก็จะติดลุกรามขายายวงกว้างแผดเผามีความร้อนมากพอถึงจุดหนึ่งสิ่งนั้นก็ถูกสลายไปไฟเขาไม่ได้เผาตัวเขาเองแต่ไฟเขาเผาเชื้อ แล้วก็มอดไปไฟนั้นก็ไม่มีธรรมะที่กล่าวที่บอกไม่ได้สลายอะไรแต่เป็นการบอกความสูญความดับความเสือ่อมความบดไปต่างหากเมื่อเราเข้าถึงทมความสงสัยตรงนี้แหละไม่มีเมื่อไม่มีความสงสัยตรงนี้ ท่านจริงไม่ได้มองว่าอะไรเป็นทรัพย์ยิ่งกว่าสีลพระตราปรามาตัวนี้จะเป็นมงคลอะไรท่านก็ไม่ตื่นจะบอกมีของดีอะไรท่านก็ไม่ตื่นจะบอกอะไรดีก็ตามทาในสิ่งใดก็ตามท่านจะเอาตรงไหนเป็นหลักรู้หรือเปล่า ท่านจะาตรงที่ว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําลายตนไม่ทําลายผู้อื่นนี่คือหลักของพระอริยะเป็นเครื่องขัดเกาวาและเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นอริยะตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่นเลย ฉะนั้นศีลพระตระมปรมากตรงนี้พระสดาบันทันละจะบอกว่าบ ว, วงสรวงทำอะไรบิงบอลขอพรหรืออะไรก็ตามที่เป็นไปอันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นตรงนี้ไม่มีจิ๋วศีลตรงนี้ท่านรับรองได้ว่า ทที่ท่านได้รู้มาสิ่งนี้ท่านละได้สามข้อนะสังโยชน์เบื้องต่ำตัวมาการที่จะละเรื่องการมาราคะกฏดีปฏิฆะกดีก็ต้องสูงขึ้นไป ภาะสกิตาคา ม, มีพระอนาคา ม, มีจะเบาบางไปอีกจนกว่าถึงความเป็นพระอารหันต์พานาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาอีกถ้าท่าน สิ้นลมปรานเมื่อไหร่ท่านจะไม่คืนกลับมาสู่คันของสตรีใดอีกเลยแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเบื้องต้นหรือเป็นพระสกิทาคามียังมีสิทธิ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งหร อ, อีกเจ็ดครั้งถ้าพระโสดาบันเบื้องต้น ไม่เกินอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างสูงถ้าพระสกิทาคามีครั้งเดียวเป็นอย่างมากแต่ถ้าพระอนาคามีแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาเมื่อสิ้นลมท่านก็สามารถบรรลุกุณธรรมต่อบำเพ็ญชั้นสุทาวาส เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นเชื่อที่จะดึงให้ท่านคืนกลับมาปฏิสนธิในครั้นอีกเลยไม่มีกำลังพอแนละ้วไม่ว่าจะเป็นกามราคะก็ดีย่างเราเนี่ยพระยาบุคคลเบื้องตน้นถ้าเราเคยเรียนรู้สูตรมา ยังมีการครองเรือนอยู่ก็มีอย่างนางวิสาขาเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระอนนเทเถระตอนที่พู้เจ้ายังไม่ปรินิพพานท่านก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าดับขัน ในขณะนั้นท่านยังมีความเสียใจอยู่ยังมีการร้องไห้แต่ถ้าสูงกว่านั้นแล้วจะไม่มีที่บธกทมยิ่งละเอียดย่อมแสดงถึงความหมดจดและอินทรีย์สตรีปัญญาจะไม่เหมือนกัน ตะต่างกันการละกามเนี่ยนะกามราคะนะเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องเรียกว่ายางเหนียวเลยละ่ะรถอะไรจะยิ่งกว่ารถของกามไม่ไหมถ้าพูดถึงสุขของโลกีไม่อิ่มเบื่อเดียวเดียว นี่มันเป็นอย่างเดียวการที่จะตัดสิ่งนี้ขาดจริงๆนะต้องเข้าถึงระดับพระอนาคามีแล้วพระอรหันต์จริงๆเท่านั้นเองจึงมาว่าเราเนี่ย ยังติดอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในการถูกต้องสัมผัสและก็อารมณ์แห่งความใคร่ความปรารถนาความยินดีนะ่ยยังมีมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่ที่ภูมิธรรมของแต่ละคนหมดเมื่อไหร่ก็เป็นพระอารหาันต์กันเมื่อนั้น นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญรูปราคาก็ดีความติดอยู่ในรูปในเสียงอะไรเนะี่ยเราต้องระวังเราต้องข้ามทางนี้ทางสายเปรียวบุคคลจะรู้โดยจิตของบุคคลนะั้ ไปบอกแทนกันไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นก่อนอื่นจะบกว่าทำที่รู้แจ้งต้องรู้ความไม่เที่ยงเสียก่อนจึงจะละจึงจะวางจึงจะถอดจึงจะถอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งตามมาแล้วก็เห็นทุกตามความเป็นจริง บุคคลใดเห็นโทษภัยและทุกข์บุคคลนั่นแหละเป็นผู้มีสติโยในระหว่างที่เราเห็นทุกข์มากๆถ้าจิตเรานะี่อยู่กับธรรมะอันจิตตรงนั้นได้นะบุคคลนี่แหละ เป็นผู้มีธรรมโดยแท้ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กับความสุขที่ปราศจากทุกนั้นหาเป็นเช่นนั้นเราก็มีแก่มีเจ็บตายเสมอกันเสมอกันเราก็มีความพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเสมอกัน แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือภูมิธรรมของจิตและอยู่กับพบไหนบางคนเจริญภาวนาเมตตาเจริญไม่ได้โทสะอันแรงเป็นเครื่องกันบางคนเจริญเมตตาสละทานไม่ได้มัจฉริยะความตรณีเป็นเครื่องกันนี่นะ บางคนจเจริญปัญญาไม่ออกเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกันทำทั้งหลายทั้งปวงเราจะรู้อยู่ที่ใจเราใครจะละได้ใครจะรู้ได้ทั้งที่มีรูปและทั้งที่ไม่ใช่รู้ รูปราคาก็ดีไม่ติดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธรรมรมเป็นอำนาจของฌานไม่ได้หลงไม่ไหลไหไม่ได้ติดไม่ใช่พรูสีในสมัยก่อนก่อนจะมีพระเจ้าท่านเขาา้าฌาน มอมเพนชานนั่งเป็นหินเลยสมบัติพันเจ็ดพันแดแต่ยังไม่ใช่ทางจึงบอกพระอาหารหันต์นะจึงละได้แม่กันนันนะ อนิมิตตวิโมก ค, ความไม่มีนิมิตหมายทั้งปวงในจิตตรงนั้นเน่เป็นผู้ว่างเว้นจากโลกไม่ติดอะไรกระจกใสก็ยังเป็นวัตถุรูปแล้วก็ยังเป็นกระจกน้ำว่าใส เมื่อสัมผัสมันก็ยังรู้ว่าเป็นน้ำแต่จิตใจที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่มีอะไรไปสัมผัสได้เลยว่าความบริสุทธิ์ตรงนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของไม่ใช่ความบริสุทธิ์ตรงนี้เรียกว่าเป็นความวิมุต t นั่นแหละวิมุต ติดสุขสุขจากความดุดออกเครื่องข้องทั้งหลายช่องปวงจริงไม่มีมันนะความถือตัวอีกความอาหางกามะมังกาท่านไม่รู้จะถืออะไรทำมันแตกวันแล้ว ไม่รู้จะไปยึดตรงไหนไม่มีตัวจะต้องยึดมีแต่ทรรมที่ว่างเว้นจากความยึดต่างหากรำรเรานี้เรียกว่าปัญญาของผู้สั่งสมอบรมจนเป็นภูมิธรรมอันเป็นวิปัสสนาจิงชิงญาณทัศนะ ความรู้แจ้งความรู้เห็นจริงในขันธสันดานท่านได้ถอนออกได้จึงไม่มีสังโยชน์ที่จะมาผูกท่านไม่ว่าสังโยชน์เบื้องต่าหรือเบื้องสูงอุทจะกุกุจักก็ดีแต่เป็นความรำคาญไม่ใช่ ความฟุ้งซ่านไม่มีเพระท่านไม่ได้สับสดอะไรแล้วท่านเป็นผู้ว่างเป็นผู้ว่างขัดข้องอะไรเขาไม่มีอย่างเราเนี่ยยังไม่ว่างยังไม่ว่างย่อมมีสิ่งที่คุณมัวขัดข้องหนอขัดข้องหนอ ที่บอกว่าจงทําลายของรักด้วยการไม่ทําลายล้างแต่เป็นการทําลายอุปทานแห่งความรักเข้าใจไหมมนุษย์เราจะไม่กล่าวตรงนี้การทําลายคือความหมายจะต้องหายยนะนาพินา ย่อยยับแต่นี้ไม่ใช่ทำลายความรักที่เป็นอุปทานแห่งความยึดมัน่นรูปอาวุดิเจ้ามีความรักต่อพระอรหันต์พระเ ย, ยเจ้ามากเลยมีความห่วง จึงพร่ำสอนจึงเร่งญานโปรดบุตรแห่งเราองคคุริมานผู้เจ้าบอกถ้าเราไม่ไปโปรดบุตรแห่งเราองค์ุริมานจะได้สร้างอนันตริยกรรมหนักแล้วผู้เจ้าบอกบุตรแห่งเรานะบุตรหยุดตรงไหนละ่ะ การสั่งสมบุญบา ร, รมีที่ร่วมกันมาที่เคยทำกันมาที่เคยได้สร้างกันมาแต่ความรักของผู้เจ้าไม่ใช่รักที่เป็นอุปท า, านของโลกของโลกีแต่เป็นความรักความปรารถนานดีหรือ ขนสัตว์ทอนขนสัตว์ให้ข้ามจากวัฏจักรการวนเวียนอยู่กับกองครูดกองมูดสิ่งปฏิกูลต่างๆจงขึ้นมาเถอะไม่มีทางอื่นเราเนี่ยจมอยู่กับสิ่งนี้จริงไม่จริงพิจารณา อีกหน่อยตัวเราจะเป็นนอนอลองนอนทับถมแผ่นดินดูสิเป็นรังของเชื้อโรคฝูงหมาแรงกาก็จะบินผ่านแล้วก็มาจิกกินเรานอนก็ชอนชัยน้ำเหลืองก็ไหน้ำเลือดก็ไห โครงกระดูกก็ามาปรากฏเนื้อหนังมังสารูปหน้าก็หายหมดใครจะจำเราได้แล้วไม่มีใครจำเราได้มันเป็นธาตุเหมือนกันหมดเมื่อสิ้นชีวิตอีกไม่นานจริงว่าเออความสมมุติมีการสิ้นสุดเหมือนกัน ทุกอย่างมันมีคำว่าจบลงเหมือนกันนี่เนี่ยพอเรารู้เราเข้าใจท่านจริงไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระทบให้อารมณ์ตรงนี้ต้องขุดเพราะท่านไม่ได้เอาความเป็นตัวเรากิเลสตัณหามาเป็นใจของท่านจริงไม่มีอะไรไปกระทบ ให้เกิดเสียงดังได้จึงบอกว่าตรงนี้แหละความวีมุตที่ก่ามวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้และเราจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนที่สั่งสมกันไว้เดเราเราจะรู้เราเอง น้ำตามหมดไปเมื่อไรเราจะรู้ความเสียใจนั้นไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในจิตดวงนี้เราจะรู้เองเมื่อเราต้องพบกับสิ่งต่างๆมันท้าทายดีเส้นทางชีวิตไม่เที่ยงโนก คงกล่าวได้แค่เนี้ยนทางดวงจิตต้องมีเป้าหมายแต่เส้นทางชีวิตไม่เที่ยงหนอไปพิจารณาดูแต่หนทางของจิตเราเราต้อง กำหนดเขาดีๆพาเขาไปพ้นจากโทษภัยในสังสารวัฏนี้อดทนเท่านั้นอดกลั้นเท่านั้นจะเป็นเดชเดชชาตบะบารมีที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย ใครอดทนต่อกิเลสได้ชิตังเวใครอดทนต่อตัณหาได้ชิตังเวแปลว่าผู้ชนะแล้วก็มีอยู่สุดหนึ่งสองายใหญ่สองภูมิยาไปฟังธรรมโพดีเจ้าสดแดง มีอยู่เสื้อกางเกงผ้าชุดมีอยู่ชุดเดียวสับเปลี่ยนกันแล้วก็มีอยู่แค่นั้นแหละฟังไปก็เริ่มใส่ศรัทธามากไม่รู้เราจะสละทาบุญอะไรหมดไม่มีอะไรทั้งสิน้นถ้าตามมาก็ยายอยู่ถ้าตายอยู่ก็ยายมาสับเปลี่ยนอย่างนี้เลย จนสุดท้ายศรัทธาที่ไม่มีอะไรมาประมาณได้ะ้าหมพื้นเดียวเราโกนบอกว่าเราชนะแล้วถาวายให้เลยพอดีกษัตริย์กำลังยกทัพผ่านได้ชัยชนะมาบอกชิตั้งไม่นะั่นบอก ประกาศเลยชนะแล้วเอู๊้นี้รู้ได้อย่างไรเราชนะแล้วการสอบถามจึงได้ความเป็นจริงอานิสงสงธรรมบุญอายมวทันตาได้ราบสักระมากมายไก่กองมากเลยดูสิกยาจกเข็นใจไพรผู้ดี ล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวแม้มีให้กรรมเคราะห์เกาะตามติดจงทําจิตปราดกีเรศไร้เหียชั่วและกาจัดดักอวิชาพามืดมวัวจิงพาาตัวพ้นสาสิ้นบากกรรมชนะ คือตัดขาดจริงๆว่าชิ้นสุดท้ายแล้วสบัติที่ห่อตัวนี้แหละและเราถ้าพิจารณาทำลึกๆตัวของเราจริงๆไม่มีเสื้อผ้ามาจากโลกนี้ไปจริงๆไม่มีเสื้อผ้าไป ไม่มีนะเมื่อจะมานะมีอะไรออกจากคันมันดาหยิบถืออะไรมาเกิดเมื่อกี่ชาติเกิดมากี่ภพวนเวียนไม่รู้จบเมื่อเกิดถามว่าหยิบอะไรมาตอบสิเปล่าแสดงว่าทุกภพทุกชาติไม่ได้เอาอะไรไปเลยทรัพย์สิน สมบัติต่างๆเวลาตอนสิ้นไปเราก็เห็นจึงมีท่านผู้รู้แต่งหน้าฟังบอกเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไป เจ้าจงไปมือเปล่าดังชา้ามาอันยศราหับไปมิได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟจบยุทตรงนี้เอง พิจารณาแล้วเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าชิดังเมดีกว่ามันชนะดีจริงๆพอธรรมะเกิดในจิตเราเมื่อไหร่จิตเราก็จะบานอารมณ์ต่างๆที่ฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิชาต่างๆรูปราคะอรูปราคะก็ดี สักยตทิฏฐิมาณะต่างๆตลอดถึงอวิชชาคือมายายแห่งกิเลสตัณหาใจเรานั่นน่นต้องระวังเด็กน่ยอวิชชาบินรากเง่าแห่งอกุศลทั้งปวงนี่เนี่ยตัวสุดท้ายสังโยชน์นมันรวมที่ว่าอาวิชชา ทีงบอกตั้งสติภายในเพื่อมีปัญญาเห็นความเกิดดับแห่งธรรมรู้ไม่ว่าใครนั่งอยู่อย่างผู้ทรงธรรมไม่เหมือนกันหรอกที่เราปฏิบัติใครนั่งอยู่อย่างผู้เจริญอบรมสติอันแท้ คุณภาพของธรรมและจิตตรงนี้นหละจึงเรียกว่าธรรมแท้และธรรมเทียมธรรมเทียมคือธรรมยังไม่เกิดจริงธรรมแท้ธรรมเท่าไหร่ใจผ่องใสธรรมเท่าไหร่บทจดผุดผาดไม่มองใจภายในตัวน้ำเรียกว่าธรรมไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย สังเกตดูแลกันบันนี้อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสครึ้มฟ้าครึ้มฝนอารมณ์ไม่ดีหน้าบึ้งคิ้วขมวดอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องอารมณ์ตรงนั้นจิงบอกว่าเรานะตั้งสติภายใน เพื่อกำหนดรู้ทาจริงๆทาจริงเป็นของวิเศษทาแท้คือทาที่ละกิเลสให้มันมีจริงๆนะาจริงเนะี่ยเป็นของวิเศษทาแท้เป็นธรรมที่ละกิเลส ใครละกิเลสตัวไหนได้บุคคลนั้นแหละมีธรรมจริงๆแท้เลยเราเนี่ยค่อยๆที่จะปราหารกิเลสได้แต่ไม่ใช่ว่ากิเลสจะยอมเราแล้วก็มานอนตายให้เราเห็นอย่าไปเชื่อด้อารมณ์สมาธิขนาดจิตหนึ่ง อย่าไปเชื่อเขาเรียกนั่นเป็นอารมณ์ฌานนิ่งสงบอารมณ์ของสมาธิจิตรวมด่งลุ่มลึกนั่นเรื่องอารมณ์ของฌานฌานตรงนี้เสื่อมได้ต้องอาศัยปัญญาบารมีเข้ามาสนับต้องคุ้มครอง จิตดวงนี้ด้วยเพราะอะไรพบกิเลสของโลกตรงนี้เป็นเครื่องสั่นครอนให้จิตนี้หวั่นไหวแต่เราจะรู้เมื่อไหร่ว่าใจเรากำลังปรุงแต่งอารมณ์ตรงนี้ถูกย้อมจิตตรงนี้ มันเป็นฝ่ายของมานผู้มีบาปถ้าเรารู้ทันเรียกว่ากำหนดสติได้เมื่อกำหนดสติได้ใจตรงนี้แหละจึงแสวงหาทำอันเป็นการละลุชอบเรียกว่าสัมมาทิชิี ยิ่งใหญ่นะครับมาสมาธิไม่ใช่ธรรมดาจเจริญอยู่ในองค์มรรคแท้เลยนะมรรคเกิดผลก็ต้องเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเกิดเมื่ออริยมรรคไม่มีหนทางที่จะเกิดผลตรงนี้เกิดไม่ได้ฉะนั้นหนทางที่เรากำลังดำเนินเรียกว่ามรรค เรากำลังเดินสู่สัมมาทิฏฐิแต่ไม่ตลอดสายเพราะอะไรรู้ยังไม่จริงแสงเราคงไม่ต่างกับหิ่งห้อยที่บินอยู่ในความมืดไม่ใช่คือแสงพระอาทิตย์เราต้องยอมรับก่อน เนเราจรึงมองอวิชชาแห่งความมืดมายาของใจเขาเรียกว่าเป็นม่านที่ปิดที่บังที่กั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้เข้าไปยินดียินร้ายทุกครั้งความยินดียินร้ายเกิด อวิชาก็เกิดทุกครั้งความมั่นหมายอะไรที่เป็นอุบกิเลสแห่งตันหาแล้วอวิชามันก็เกิดเนี่ยสำคัญถ้าเราสามารถรู้เหตุความเกิดดับได้มีสติภายในเรามองดู อย่างเราปฏิบัติอย่างนี้กายเคลื่อนไหวแต่จิตไม่หวั่นไหวทำให้ได้ลีลาของกายพริ้วไปตามธรรมชาติลีลาหลากหลายของอารมณ์ที่ผาดพนอยู่ภายในใจตรงนี้ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทัน วันนี้คุณศีลเดี๋ยวก็ขาดทมเดี๋ยวก็เสือ่อมสมาธิเดี๋ยวก็แตกจริงว่าเราเนี่ยทนต่อเสียงได้แล้วหรือใครละไม่ชอบเสียงไพเราะชอบ และถ้าเสียงไม่ไพเราะนะอย่างบันหนึ่งได้ยินคนหูไม่ดีคุยกับใครทักไปทักมาได้ยินเขาด่าว่าเป็นหมาถ้าเป็นหมาโกรธใหญ่แต่ไม่โมโหมากแต่โกรธใหญ่ระ ง, งับได้เร็ว ตรงนี้นะมันเป็นอวิชชาจิตเราเนี่ยจเจริญเมตตาไม่ทันศักดิ์ศรีมันมากทำมันน้อยกว่าอากุศลมันก็เลยได้ช่องแล้วก็ไปปรากฏขึ้นนี่แหละ บางคนได้ยินเพียงสักเขาว่าเล่ากันมาเจรจาอย่างนี้มันไม่ถูกใจพันผูกฟุ้งร้านทันทีแล้วนักปฏิบัติจะมีฐานอะไรเป็นเครื่องรองรับโลกธรรมไม่มีเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรองรับ เเห็นตาเป็นของรอ้อนได้ยินหูเป็นของรอ้อนใจก็เป็นของรอ้อนและแผ่เมตตาออกไวล้ล่ะไม่ออกธรรมะมันมีรสไวล่ะตอนนั้น รถธรรมะก็ไม่มีมันมีรถอธรรมมากกว่าเหยียดย่ำมานผู้ใจห ย, ยาบเกิดอีกทันทีจึงบอกว่าบางครั้งเราลืมดูคำว่าเราแต่เรายึดถือคำว่าเราเนี่ยคือจุดของเราสำคัญนะ ถ้าคิดว่าให้คนอื่นพูดดีกับเราทุกคนชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าคิดว่าให้ทุกคนให้เกลียดเราชีวิตนี้นอนไม่หลับเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเรานะเป็นผู้ไม่มีมนฑิน เป็นผู้ไม่มีราคีแต่ชะไหนราคีและมนทินนั้นพยายามจะมาเปื้อนพระพุทธเจ้าเราแต่เปื้อนไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่กิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเหนือจากกิเลสตัณหาแล้วจึงไม่มีใคร ที่จะไปเปื้อนพระองค์ได้เลยฉะนั้นเราต้องรักษาจิตเราให้ดีถามว่าทำยากไหม ย, ยากคนเขาพูดไม่ดีหน้าช า, าอารมณ์โกรธจะระงับได้เร็วช้าอยู่ที่สติปัญญาเรา ถ้าจิตเราไม่กอดแกว่งนาตั้งมั่นได้มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาสะสางชำระในขณะจิตของปัจจุบันได้ทุกขณะบุคคลนี้ได้ผู้มีหนทางนรืปผ่านแน่นอนฉะนั้นบางอย่างเรื่องที่บอกถูกผิดปราบัณิตบางครั้งท่านห้ามเสียรู้ลึล่าว มีเรื่องพระวินัยอยู่เรื่องนึ่งพระวินัยทอนกับพระธรรมทอนแค่เรื่องขันน้ำภาชนะเมื่อใช้แล้วไม่ได้ความภาชนะก็ปรับอาบัดกันต่างคนต่างก็แสดงรำมันที่ ตนนั้นไม่ได้เป็นอาบัตอีกฝ่ายนก็จะปรับแบ่งเป็นสองฝ่ายวินัททรกับพระธรรมทอนจนเรื่องเนี่ยทราบถึงพระพุทเจา้าพระเจ้าจริงเสด็จมาห้ามพิสุทั้งหลายหยุดเถอะอันว่าสาระคือสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ หยุดเธอะอธิกรณ์ตรงนี้ไม่ยอมจะโจกันจะเอาเรื่องปรับอาบัติกันให้ได้พระรีเจ้าทำไงรู้เปล่าเสด็จออกเลยพิสุเมื่อไม่ฟังแล้วก็เสด็จไป ไปอยู่ป่าเพียงลำพังปรากฏว่าชาวบ้านญาติยมเหล่าบริษัททั้งหลายเมื่อรู้เรื่องเกิดจึงไม่ตักบาตรให้พระทั้งวินัยทอนพระธรรมทอนบิดาบาตไม่มีใครตักอาหารให้ จึงยอมต้องไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาศรัทธาเสื่อมไปเลยท่นนั้นนี่แหละเรื่องของเรื่องปราบรรดบัณฑิตบางครั้งเรื่องถูกผิดเนี่ยท่านเตือนเราว่ามันเรื่องอะไรมันยิ่งใหญ่มันผิดถูก เป็นดีชั่วเป็นบาปบุญเป็นคุณโทษแค่ไหนต้องดูก่อนไม่งั้นจะเป็นคนยุ่มยิม้มแล้วก็ในท้ายที่สุดน้าเบือ่อหน้ารำคาญบางอย่างบางเรื่องดีก็ไม่หยุดชั่วก็ไม่เอาฟังให้เป็นนะ จะฟังธรรมะดีไม่ยึดแต่ทำดีชั่วไม่เอาเราต้องเอาศีลมาเป็นบรรทัดฐานผู้ปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งศีลทิ้งศีลหมดความละอายไม่เกรงกลัวดอบาปแล้วจะบอกว่ามีธรรมคุ้มครองได้อย่างไร หมดโดยปริยายไม่ต้องอธิบายฉันบุคคลที่วิปราชวิปริตผิดเพี้ยนจากธรรมอ้างทรรมความวิมุติแล้วมาสิ้นสุดจุดที่คนไม่มีศีลแล้วบอกว่าธรรมนั้นไม่ใช่ความยึดตรงนี้รู้ไม่จริงเป็นหอกแทงตัวเอง เอาธรรมะมา่าตัวเองซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมแต่เป็นวิชาของธรรมที่มากล่าวเป็นอทุภาสิทฉันนั่งปฏิบัติปฏิบัติอย่าลืมดีมีชั่วมีแต่ไม่ได้ยึดเมื่อสิ่งใดผ่านจิตตรงนี้ต้องไม่อยู่กับสิ่งนั้นอีก ถ้าใครเคยทำบาปทำเวรมีกรรมภัยใจะใหญ่โตสักแค่ไหนเชื่อว่ากรรมมีผลเราไม่ต้องไปคร่ำครวญให้หยุดหยุดตรงนี้ทำสิ่งใหม่ตะมาเคยกล่าวว่าชีวิตใหม่ไม่ใช่คือพรุ่งนี้ แต่ชีวิตใหม่คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเมื่อไรชีวิตใหม่ก็เกิดทันทีไม่กำหนดการเวลาธรรมะของพูะพทเจา้าแต่เราต้องไม่อาหาังกาพอเข้าใจเนี่ยอดีตเราไม่ยึด เราทำดีแค่ไหนเราก็ไม่ได้ว่าความดีของเราจะต้องเอามาโฆษณาเราก็ทำไปทำเพื่อให้จิตเรานั่นะมันหมดบาปสักทีถามแค่เนี้ใครที่บอกว่าตนนะมีบุญมากถามว่าใจหมดบาปหรือเเอาไปฝนดูแล้วจะรู้ค่าที่มันจะมาคงไว้ในใจว่าจริงหรือเปล่า ไอ้คำว่าที่เราพูดว่าบุญเราสร้างมาเยอะพอเอาบาปไปฝนดูว่าจิตเราเป็นผู้ไม่มีบาปเนื้อบาปแล้วทำามจะยอมรับบุคคลนี้เป็นผู้ปิดอาบายนั่นคือพระอริยะแล้วแต่ตราบใดแนวคำว่าพู้ดุชนนะ นรกยังเปิดให้ทุกข์ขมเพราะสติเรานะยังพร่องและยังขาดได้เมื่อเราไปเจอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เห็นคนบ้าไหมละ่ะมาจากคนดีเห็นคนฆ่ากันไหมละ่ะก็มาจากคนดีนี่แหละเห็นคนฆ่าตัวตายไหมละ่ะก็มาจากคนดีนี่แหละ แต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดก็ไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเป็นพระยะเจ้าหน้าฟังสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรม แสงว่าท่านไม่ค่าตอบแล้วท่านจะทำร้ายใครมารผู้ใจห ย, ยาบทำให้ท่านตกละกรมลำบากไปทุกข์กติไม่ได้นี่จึงบอกว่าไม่ใช่คือพรสวรรค์ไม่ใช่คือบุญธรรมดา พูดที่ถึงบุญแล้วคือพูดที่ได้ลอยบาปละบาปสิ้นบาปแล้วไม่คืนกลับไปสู่บาปอีกเลยอย่างเราเนี่ยตมากร้าที่จะบอกว่าเรายังไม่อิ่มบุญกันทุกท่วนหน้ายังเป็นผู้กระหายบุญอยู่ฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรม จึงมาบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งขันติทั้งวิริยะทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งการให้ทานทั้งการตั้งศัจจะอาธิษฐานจิตเราพร้อมด้งการเจริญเมตตาและจิตต้องรู้จักว่างอุเบกขานี่แหละ ถ้าเราปฏิบัติไปทำไปจนอินทรีย์เราแก่กล้าเมื่อไรบอกได้เลยว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมคือไม่ไหลลงไปอยู่กับวังวนแห่งโอกหะตรงนั้นเองแล้วก็ไม่หมกไม่อยู่กับไฟนรกของโล ก, กันตราอีกจึงเรียกว่าลูกของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นใครที่เป็นลูกุูิเจ้าก็จะรู้ตัวเองรู้หนทางที่ดำเนินไม่เพลิดเพลินอยู่กับความสนุกสนานมอมมันสุขเท่าปลายเข็มความทุกข์เท่าดําเข็มผู้มีปัญญาจะเลือกอะไรเมื่อเรากำหนดแล้วพิจารณาแล้ว สรรพสิ่งทั้งหลายร้วนเป็นอ น, นิจจงพอเข้าหลักตรงนี้แล้วใครจะละอะไรใครจะเลิอกอะไรต้องรู้เองตอนนี้จิตของเราเนะี่ยไปถึงไหนแล้ว มีหลายคนบางทีก็ถามว่าท่านปฏิบัติคุณธรรมชั้นไหนแล้วไม่มีชั้นปฏิบัติเพื่อใจนั้นละโลภกฎหลงแล้วก็ไม่หลงต่อกับความเกิดแก่เจ็บตายขอบรรยายแค่นี้แหละแล้วไปพิจารณา ทำที่เราปฏิบัติเนี่ยอันนี้สงฆ์คืออะไรการพ้นทุกข์เมื่อคนพ้นทุกข์แล้วความสุขเนี่ยต้องหาไหมที่เราดิ้นกันไม่ใช่ทุกข์หรือดิน้นกันกับเป็นเกือบตายสแสวงหากันไม่ใช่พ้นหนีทุกข์กันเหรอ มันเป็นธรรมะที่เราต้องเข้าใจในขนทางที่เราเนี่ยจเจริญภาวนาเข้าให้ถึงกล่องของปัญญาแล้วกระแสธรรมตรงนั้นจะหมุนเวียนเกิดอยู่ในรูปนามธาตุขันธ์เราพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมเห็นอะไรก็เป็นธรรม มองอะไรก็เป็นธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะนก็สมควรในการฟังธรรมะเราก็ปฏิบัติกันสำรวมระวังจะเดินจะพูดคิดนึกทาอะไร ให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเสียก่อนแม้จะนั่งตักบาตรก็ดีเราก็กําหนดจิตเราให้ทานกุศลจิตน้มากๆจิตเป็นกุศลมากเท่าไหร่อันนี้สงในการทำก็จะได้พูนผลมากเท่านั้น นั่นแหละศีลยย่งสะอาดเท่าไหร่ภูมิพบที่เกิดชาติชารามรณะโรคาพยาธิก็จะน้อยลงและจะสูงส่งขึ้นจะบอกศีลเลณนะสุขติิงยันติศีล น, นำไปสู่ภูมิพบอันเป็นไปเพื่อความสุขความสงบ ความร่มเย็นพ้นจากทุกคติโทษภัยศีลจะนำไปสู่การมีโภกัทรัพย์เราจะไม่ไปหลงการพนันหลงสิ่งเสรติดหรือผิดจากครองธรรมของการครองศีลในลูกเมียใครมันเป็นบาป ก, กัดกินใจ ไม่กําไรหรอกสิ่งเหล่านี้จะอ้างว่าสุขมันก็คือทุกข์อยู่วันอย่างคำ่ำไม่ใช่ใครเป็นพยานใจเรานั่นะมันเป็นพยานใครรู้ความจริงใจเรานั่นแหละรู้ความจริงแต่ใครล่ะสนองกิเลสมารผู้ใจอยาก